มีอยู่แต่ทําอะไรใจไม่ได้ทุกมีอยู่แต่ทําอะไรใจไม่ได้เช่นโดนมีดบาดก็ยังเจ็บใช่มีแผลก็ยังเจ็บเรียกว่าเกิดแต่เหตุปัจจัยเพราะยังมีกายและความรู้สึกรับรู้ทํางานร่วมกันอยู่จะหายเจ็บเมื่อแผลหายกระบวนการทุกใจเกิดเมื่อจิต ชีพปรุงแต่งต่อจากอาการเจ็บป่วยของกายทุกกายเป็นเรื่องของการกินยาและหาหมอทุกใจเป็นเรื่องของตนที่ต้องบำบัดออกจากทุกข์โดยการปรับเปลี่ยนความรู้สึกรับรู้ทางจิตไปอยู่กับความคิดอื่นๆที่สบายใจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นอยู่หรือปรับความรู้สึก รับรู้ไปอยู่กับความรู้สึกโปรง่งโล่งเบาสบายเพื่อให้ทุกนั้นจางคลายไปเจ็บก็เจ็บแต่จิตไม่คิดปรุงแต่งต่อจากอาการเหล่านั้นเปลี่ยนความรู้สึกรับรู้ไปอยู่กับใจที่สบายจะทำให้ดีกรีความเจ็บตรงนั้นมันถูกแบ่งออกไปเวทนากายมีอยู่จริงแต่ไม่สร้างเวทนาจิตซ้อน ไม่สร้างทุกข์ทางจิตซ้อนเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งทุกข์ทางกายมีอยู่แน่แน่เช่นเราเดินนานๆก็เมื่อยขาแน่แน่กระบวนการทุกขเวทนากายเกิดเสร็จสับแต่ระวังเวทนาจิตปรงแต่งแล้วเข้าไปร่วมว ง, งไม่สร้างทุกซ้อนเข้าไปอีกทุกนั้นมีอยู่จริงๆต ร, รงนั้นใครๆก็หลีกไม่พ้น แต่ทุกนั้นหามีเจ้าของไม่ทุกเพราะคิดปรุงแต่งในชีวิตประจำวันรู้ทันสิ่งที่คิดปรุงแต่งที่ทำให้เกิดทุกข์หรือเกิดปัญหาทางใจคิดยาวมีโอกาสทุกข์มากกว่าคิดสั้น แต่พอเรารู้ทันทุกจางคลายหายไปหรือไม่จึงใช้คำว่าจิตจางคลายจากทุกพอจางคลายหายไปก็กลายเป็นความว่างเปล่าจากทุกให้ดำเนินชีวิตให้ทุกน้อยที่สุดต่าหากไม่ใช่ไม่มีทุกเลยเพราะมันมีเหตุปัใจจัยให้ทุกคนเกิดถ้าคิดยาวแล้วตัดไม่ออกต้องใช้คิดมาปราบคิดเหมือนกัน หาวิธีพลิกแปลงออกมาให้ได้หลักคือกายเบาใจเบาเป็นตัวชี้ขาดว่าเราอยู่ในภาวะอะไรทุกมันจอนมาเป็นคลาวๆได้แต่พอเรามีสติรู้ทันทุกจางพลายหายไปมันจะไม่หายไปทันทีทันใดก็ได้แต่มันค่อยๆจางพลายหายไปซึ่งเราจะไปบอกว่า ต้องไม่มีเลยไม่ใช่นะมันมีตามเหตุตามปัจจัยแต่พอเรารู้ทันมันหายไปหายช้าหายเร็วนั่นอีกเรื่องหนึ่งจุดเปลี่ยนคือจากรูปนามคู่ที่ไม่มีทุกจะมีทุกก็มาจากความคิดปรุงแต่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกนั่นเองคิดแล้วเกิดอาการอาการนั้นเรียกว่าทุกคิด แล้วเกิดอาการทางใจคิดแล้วเกิดอาการทางวาจาคิดแล้วเกิดอาการทางกายเรียกว่าทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าคิดอย่างมีสติอาการก็ไม่มีกลายเป็นคิดธรรมดาที่ไม่เกิดทุกข์เมื่อคิดอย่างธรรมดารูปนามคู่ใหม่ที่เป็นทุกข์ก็ไม่เกิด สติกับคิดปรุงแต่งสติกับคิดเป็นคู่ปรับกันเป็นคู่ต่อสู้กันรูปนามคู่นี้คือคู่ต่อสู้อันยิ่งใหญ่จริงๆมันจบตั้งแต่คู่แรกแล้วพอรู้ว่ากําลังคิดอะไรรู้ทันมันจบตั้งแต่คู่แรกแล้วไม่ว่าคิดนั้นจะก่อให้เกิดทุกข์หรือไม่ถ้าจะดับสนิทพอทําท่าจะคิดให้รู้ทัน แต่ในชีวิตคนธรรมดามันต้องคิดถ้าคิดไม่เกิดทุกข์ก็รู้อยู่ก็รู้ทันเหมือนกันทั้งคิดธรรมดาและคิดไม่ธรรมดาพอสติเราเก่งขึ้นเก่งขึ้นพอแปลตัวนิดมันรู้ทันพอรู้ทันทุกทำอะไรใจไม่ได้ไม่ใช่บอกทุกอย่างไม่มีพอทำท่าจะแปลตัวมันรู้ทัน สภาวะอย่างนี้เรียกว่าทุก์ทำอะไรใจไม่ได้ฉะนั้นตัวที่เราฝึกจริงๆคือฝึกตัวรู้ทันชีวิตที่หยวนนยวนอาวุธที่ช่วยพิชิตทุกข พิชิตจิตปรุงแต่งให้เป็นทุกข์คือตัวสติปัญญาสติคือตัวรู้เท่ารู้ทันหรือความรู้ตัวรู้ตนปัญญาชี้ไปที่เห็นเหตุปัจจัยที่กระทบกันเห็นสิ่งซึ่งอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นทอดๆดไปชีวิตในกระแสโลกเป็นชีวิตที่หย่วนหย่วนจะยกตัวอย่างให้ชัดชัด ทำไมจึงบัญญัติแค่ปัจจัยสี่เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่พอเพียงแต่ชีวิตจริงคนเราต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเช่นมีรถมีบ้านหลายๆหลังเครื่องประดับมากมายสนองความต้องการไม่จบสิน้นแนวทางปฏิบัติที่จะดำเนินชีวิตให้หยวนน้อยที่สุดคือมีชีวิตที่พอเพียง อย่าปล่อยไปตามอำนาจกิเลสตัณหาของตัวเองและหมู่ชนสติเราจึงแข็งบ้างอ่อนบ้างถ้าเราปฏิบัติแบบนักบวชสังคมภายนอกก็มองว่านรบหลาดเราก็จะอยู่ลำบากเราทำเท่าที่ทำได้เราต้องเข้าใจตัวเองอย่างยิ่งปัญญาต้องมาอย่างยิ่งพิจารณาแยกแยะเหตุปัจจัย และตัวปัญญาจะเสริมให้สติแข็งแรงตัวปัญญาและสติต้องแนบ ก, กันมาตลอดแยกแยะเหตุปัจจัยการกระทบตลอดเอาปัญญามาเป็นตัวเสริมให้น้ำหนักมากขึ้นตัวอย่างเช่นสมมติไปงานเลี้ยงเพื่อนยกเค้กมาทีไรอยากกินทุกทีจะไม่กินก็ไม่ได้กินนิดหน่อยแต่ใจรู้ อ่านใจตัวเองให้ขาดปัญญาต้องมาอย่างแรงสติล้วนๆเอาไม่อยู่ทำไมเรากินกันทั้งวันนี่หยวนหรือไม่หยวนตั้งใจกินหนเดียวนอกเหนือเวลาที่ตั้งไว้ไม่กินจุกจิกแล้วพวกเราหยวนหรือไม่หยวนเพราะมันไม่มีกรอบเลยทำให้พัฒนาสติไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็นพอมีกรอบมีวินยัย ก็เป็นตัวช่วยเป็นรั้วที่จะป้องกันค่าศัตรูคำว่าวิันคือรั้วการเห็นความจริงของชีวิตการเห็นสาระสำคัญสุดยอดที่จะพาเราออกจากทุกข์ เป็นการเห็นขณะจิตเห็นระบบของจิตเห็นขั้นตอนของจิตที่เรียกว่าปรมัตร์เราเห็นความรู้สึกรับรู้เกิดแล้วก็ดับตามปัจจัยกระทบความคิดเกิดแล้วก็ดับอารมณ์เกิดแล้วก็ดับนี่คือเห็นปรมัตร์เห็นสาระสูงสุดที่จะพาเราออกจากทุกข์ได้ ทุกที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปเองทีนี้มันไม่ดับเพราะเข้าไปยึดถือเป็นอุปท า, านถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงสภาวะนี้เรียกว่าอาวิชชามันเห็นไปตามความคิดเราเห็นไปตามการยึดติดยึดถือของเราถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงความคิดปรุงแต่งที่เพิ่มเติมไปจากนั้นมันก็ไม่มี เราเริ่มเห็นตั้งแต่เราเริ่มแยกขันธ์ห้าแล้วว่าความนึกคิดเกิดแล้วก็ดับและตัวความคิดเองก็ไม่รู้ตัวมันเองต้องมีจิตอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรมันจะต้องเห็นจระจะตั้งแต่ตรงนี้แต่ถ้าเราแยกตรงนี้ไม่ชัดมันจะพลาๆเลื่อนๆถ้าไม่มีสติจะเห็นความคิดไม่ได้เพราะมันเข้าไปในความคิดซะแล้ว มันไปนึกหาคิดหาจะแล้วพอพูดว่าปฏิบัติธรรมคนเราก็เริ่มทำตัวผิดธรรมชาติจะแล้วความคิดเข้าไปบงการตั้งแต่แรกอยู่ในภาวะนึกถาคิดหาหมดไม่ได้เห็นว่าความคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ดับจิตอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรตัวคิดตัวแรกมันไม่รู้เรื่อง ตรงนี้เป็นความลึกลับจริงๆแล้วอีกตัวที่มารู้ก็ดับจริงๆถ้าไม่มีสติเห็นตรงนี้ไม่ได้ต้องมีสติตั้งแต่เห็นคิดถ้ามีความคิดแล้วรู้ทันนั่นเรียกว่ามีสติแล้วรู้ตามหลังก็ยังดีเดี๋ยวมันค่อยๆแก่กล้าเอง ไม่ก้าวหน้าฝึกปฏิบัติยังไม่ก้าวหน้าคนอื่นก้าวหน้ากว่าค่อยๆทําไปเห็นทุกก็จัดการที่ทุกข์เห็นความคิดก็จัดการที่ความคิดเพียรพยายามไม่ลดละทําแบบไม่ทิ้งแต่ก็ไม่ใช่จริงจังจนเกินไปและก็ไม่ใช่ไม่สนใจเลยคือเอาความสบายเป็นตัวตั้งทําอย่างสบายๆ เพางานอย่างนี้ไม่ใช่งานวิ่งแข่งมันเป็นงานที่เรียกว่าค่อยๆพัฒนาความเข้าใจเหมือนปลูกต้นไม้ต้องรดน้ำท่วนดินใส่ปุ๋ยดูแลไปเรื่อยจนกว่าวันใดวันหนึ่งมันออกลูกออกผลไม่ใช่ว่าปลูกวันนี้พรุ่งนี้ต้องออกดอกมันเป็นงานที่ผิดกับงานชนิดอื่นๆเราคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้ ความคิดก็กินเรียบแล้วบางวันรู้สึกฝึกได้ดีบางวันก็ฝึกไม่ได้ดีนั่นเพราะเราไปตั้งความหวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มี่ความคิดอีกแล้วแค่เราคอยรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์เท่านั้นไม่ได้หวังผลอะไรไม่ได้ตั้งความหวังด้วยว่าผลจะออกมาอย่างไร แต่พอเกิดอะไรขึ้นรู้ทันเท่านั้นไม่หวังผลใดๆการหวังผลคือความคิดในใจเรามันมีสองสภาพอยู่ตลอดเวลาทั้งดีทั้งไม่ดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าทั้งดีทั้งไม่ดีเกิดอยู่ตลอดเวลาเราจะเลือกแต่ดีอย่างเดียวไม่ได้คือเรารับได้ทั้งสองสภาพ ทั้งดีก็รับได้ทั้งไม่ดีก็รับได้อ๋อดีมันเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ดีมันเป็นอย่างนี้แต่จุดที่เราต้องการยิ่งใหญ่กว่านั้นคือออกจากสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีตลอดเวลาแต่เป้าที่สุดของเรา คือหลุดพ้นจากทั้งดีและไม่ดีตัวนี้เป็นตัวล่ออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสบายเดี๋ยวไม่สบายอีกแล้วแต่ภาวะที่เราต้องการไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้เป็นแค่มายาอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นดีก็รู้ทันไม่ดีก็รู้ทันจบทั้งดีและไม่ดีคือภาวะทุกข์ถ้าเราไปยึด ออกจากทุกได้ก็ว่างเปล่าจบตรงนี้อาศัยเวลาจากการทำแล้วผิดบ้างถูกบ้างเป็นการค่อยๆพัฒนาขึ้นถูกบ้างผิดบ้างแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่าทำไมกูแพ้นะวันนี้ไม่ใช่แพ้ก็แพ้แพ้ก็รับได้ชนะก็รับได้นี่เราจะไปรับหน้าชนะอย่างเดียวไม่มีหรอก เราอย่าไปตั้งหลักเอาแต่ถูกผิดไม่เอารับได้ทั้งสองด้านแหละอารมณ์เสียก็รู้ว่าอารมณ์เสียแล้วก็จบอารมณ์ดีก็รู้ว่าอารมณ์ดีแล้วก็จบไม่ใช่ไปบอกว่าทำไมวันนี้อารมณ์เสียอย่างนี้ผิดแล้วอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันแล้วจบทั้งสองด้านทั้งด้านดีและด้านไม่ดี ใจเป็นดั่งใบบอลอย่าคิดว่าใจเราต้องไม่เกิดปรากฏอะไรขึ้นเลยไม่มีอะไรแผ่วผ่านเลยทุกสิ่งทุกอย่างยังเกิดอยู่ตามเหตุปัจจัยแต่ตัวที่จะแก้ไขคือสติสัมปชัญญะกระทบรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ใช่บอกว่าทุกไม่เกิดทุกยังเกิดอยู่ตามเหตุปัจจัย แต่พอสติสัมปชัญญารู้ทันทุกนั้นก็หายไปพอทุกหายไปเรียกว่าทุกนั้นทำอะไรใจไม่ได้แต่ตอนนั้นทำอะไรใจได้แว บ, บหนึ่งใจเหมือนใบบอลใบบวัวมีน้ำกลิ้งผ่านมันไม่ซับลงเหมือนกระดาษซับเมื่อก่อนใจเราจะเป็นเหมือนกระดาษซับตัวสติสัมปชัญญะจะทำให้กระดาษซับ เติมคุณภาพไม่ซับลงแค่ผ่านไปจะบอกว่าใจไม่มีอะไรเลยไม่จริงเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเกิดแต่เหตุปัจจัยจะว่าเหตุปัจจัยไม่ดีได้อย่างไรยังกระทบอยู่ทุกทวารแต่พอสติสัมปชัญญะรู้ทันมันหายไปไม่ซับลงหรือซับได้นิดเดียวได้น้อยมากเรียกว่าดำเนินชีวิตอย่างทุกน้อย ทุกนั้นยังปรากฏอยู่ตามเหตุปัจจัยเสมอไม่เช่นนั้นเวลาเป็นแผลก็ไม่ต้องเจ็บแล้วถ้าบอกว่าไม่มีอะไรเลยยังมีเจ็บมีปวดอยู่แต่ปรุงแต่งอะไรต่อไหมความคิดนั้นยังกระทบใจอยู่ไหมอารมณ์นั้นยังกระทบใจอยู่ไหมยังมีขณะจิตสองขณะจิตสามขณะจิตยืดเยื้อไหมส่วนขณะจิตแรกยังมีอยู่ตามปกติ คำว่าไม่คิดปรุงแต่งให้เป็นทุกข์คือไม่ซับลงใจไม่เป็นกระดาษซับซับเมื่อไรทุก์เมื่อนั้นใครจะว่าอย่างไรก็ตามต้องหาคำตอบที่ใจตนอ่านใจตัวเองให้ออกเท่านั้นแหละใช้คำว่าดาเนินชีวิตอย่างทุกน้อยคือทุก์ทำอะไรใจได้นิดเดียวทุกนั้นทำอะไรใจไม่ได้ เหมือนใบบอลใบบัวมีน้ํากลิ้งผ่านมันไม่ซึไมซไม่ซับลงไปมายาสมมติไม่ยึดติดสิ่งที่เป็นมายาไม่ให้ค่าในสิ่งสมมติสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นมายาคือเกิดขึ้น หายไปไม่ตั้งอยู่สมมติก็คือสิ่งที่เขาสมมติใช้กันอยู่ในโลกทั้งหมดเช่นชื่อยศตัวหนังสือสมมติมีไว้เพื่อใช้งานไม่ใช่เพื่อยึดติดยึดถือจนเป็นทุกข์ทุกสิ่งก็เหมือนมายา ก, กลเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนั้นยึดติดอะไรไม่ได้เหมือนจิตคิดแล้วก็หายไป อารมณ์ก็หายไปไม่มีอะไรนี่คือมายาเหมือนกับลมพัดมาก็หายไปแล้วเราไปเที่ยวจับลมได้อย่างไรกันเพราะเราไม่เห็นความจริงว่าความคิดเกิดแวบแล้วก็หายอารมณ์เราเกิดแวบแล้วก็หายเราไปคิดว่ามันเกิดแล้วมันตั้งอยู่เราติดไปกับมันเรายึดติดสิ่งนั้นเป็นจริงเป็นจัง เช่นเราคิดอะไรสักเรื่องคิดเสร็จก็หายไปแล้วทีนี้เรายึดติดว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราคิดปัญหามาแล้วจริงๆความคิดตรงนั้นหายไปแล้วถ้าไม่ได้อย่างที่เราคิดเราปลุมใจเราเครียดตัวมายาหายไปแล้วแต่เราไปหยิบขึ้นมาอีกภาวะตรงนี้เรียกว่าหลงมายาที่เรียกว่าโมหะ สิ่งที่เราคิดมันหายไปตั้งแต่เช้าแล้วพอไม่ได้อย่างที่เราคิดเลยหงุดหงิดอย่างนี้หลงมายาตัวร้ายคือจําไว้ว่าคิดอะไรพอไม่ได้อย่างที่คิดก็หงุดหงิดงุ่น ง, ง่านคือความจริงสิ่งที่เราคิดหายไปแล้วคือดับแต่เราปฏิเสธความจริงเพราะเราไม่เห็นเราเข้าใจไม่ได้ว่าความคิดตัวนั้นมันหายไปแล้ว พอเราได้อย่างที่เราคิดก็ดีใจนี่ก็หลงแบบหนึ่งพอมันหายไปก็เสียใจนี่ก็หลงอีกแบบหนึ่งอีกเจอ่ข้กลนตลอดที่ภาษาโบราณว่ากับดักพยามาลพยามาลมีไพร่พลเสนามากหันไปทางไหนก็ติดกับดักของมันหมดเราเราไม่เห็นตัวแรกคือความคิดจะแล้วไม่เห็นหัวหน้าโจรคือความคิดว่ามันหายไปแล้ว ที่เกิดที่หลังลูกน้องโจรทั้งนั้นเหมือนโจรเหยียบรอยไว้ในบ้านเหยียบแล้วหายไปแล้วเราเจอแต่รอยรอยนี้พาเรามั่วรอยนั้นก็คือความจำนั่นเองสมมติคือสิ่งที่คนคิดประดิษฐ์ขึ้นคิดสร้างขึ้นสื่อหรือสมมติทั้งหมดมีไว้เพื่อใช้งานไม่ใช่เพื่อยึดติดยึดถือเพื่อให้ทุกข์แต่ก็ต้องมีสมมติ ถ้าแยกสมมติไม่ออกเราหลงทันทีเราจะถูกสมมติดูดเช่นใครมาด่าว่าบ้าถ้าเราคล้อยตามก็บ้าไปกับมันจริงๆมันแค่เสียงกระทบหูแต่มายาตรงนี้ต้องเห็นถึงจะเข้าใจเราจะออกจากภาวะโมหะหรือหลงได้ต้องเห็นอ๋อเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไป เหมือนกับลมมาวูบแล้วก็หายมาวูบแล้วก็หายเราไปเที่ยวไล่จับลมแล้วเราก็บ้าเปล่าๆความรู้สึกเปล่าๆกับไม่รู้สึกต่างกันอย่างไร รู้สึกเปล่าๆยังรู้สึกอยู่แต่ไม่มีทุกข์หรือไม่มีปัญหาทางใจปนอยู่ถ้าไม่รู้สึกรับรู้ทางทวารทั้งหกคือสิ่งไม่มีชีวิตเช่นรู้สึกลมพัดถูกตัวเรานี่รู้สึกแต่ก็รู้สึกแค่ตรงนั้นเองไม่มีอะไรต่อจากนั้นรู้สึกตามความเป็นจริงตามีหน้าที่เห็นหูมีหน้าที่ได้ยิน ระบบผิวหนังมีหน้าที่สัมผัสเสียดสีตามความเป็นจริงทุกอย่างแต่ไม่มีอะไรเลยไปจากอันนั้นอย่างนี้เรียกว่ารู้สึกเปล่าๆอยู่เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นการที่มีดีใจเสียใจไม่เปล่าแล้วต้องมีสติสัมปชัญญะเข้ามาช่วยแล้ว ปล่อยใจให้ว่างเปลา่าหมายความว่าอะไรหมายถึงความคิดดับไปแล้วมันดับไปเองเราเพียงแต่เฝ้าดูมันพอความคิดหายไปใจก็ว่างเปลา่าในขณะความคิดเกิดใจไม่ว่างผมต้องการให้คนดูความคิดของตนเองอย่าเข้าไปในความคิดนั้นให้เห็นความคิดมันเกิดดับมันคิดอะไรก็รู้ว่าคิด คิดอะไรแล้ววางเฉยเสียพอมันคิดอะไรขึ้นมาอีกก็รู้ว่าเมื่อกี้คิดอะไรแล้วก็วางเฉยเะไม่นําเอาสิ่งนั้นมาคิดปรุงแต่งซ้ําอีกถ้าหยุดคิดไประยะหนึ่งเหมือนเราไม่รู้สึกอยากทําอะไรนี่เป็นการสะกดความคิดสะกดใจตัวเองให้นิ่งไม่ให้คิดแล้วนะ ถ้าทำถูกต้องจริงๆยิ่งกลายเป็นคนขยันยิ่งกลายเป็นคนกระตือรือร้นต่างหากไม่ใช่กลายเป็นคนเฉื่อยถ้าสะกดไปนานๆความจำก็จะไม่ทำงานด้วยต่อไปชักจะจำเลอะเลือน ๆ, ๆ, ๆถ้าสะกดใจตัวเองไว้พอเรากดไม่ให้ความคิดเกิดมันก็มีผลเชื่อมโยงไปสู่ความจำทำให้จำอะไรไม่ได้ เพราะมาจากดกใจให้เครียดนั่นเองหรือทำให้ผิดธรรมชาติไปผมใช้คำว่าให้รู้ทันความคิดไม่ใช่บังคับความคิดไม่ให้เกิดรู้ทันอย่างสบายๆไม่ใช่กดไว้ข่มไว้ไม่ให้คิดเกิดอย่างนั้นความคิดจ่อท้ายเลยจ่อติดอยู่เลยคือคิดควบคุมความคิดไม่ให้เกิดขึ้นหรือคิดทำใจเฉยๆ พอรู้ทันมันหายไปความคิดอันนั้นจะค่อยๆอ่อนกำลังลงมันจะบางลงบางลงจะสู้ง่ายเขียหลุดง่ายถ้าตัวใหญ่ๆเขียไม่ออกต้องเคลื่อนไหวช่วย กับว่างต่างกันอย่างไรเฉยก็คือเฉยแต่ว่างไม่ได้เฉยคนละสภาพใจเฉยเหมือนใจถูกบังคับให้นิ่งอยู่ไกลๆจะเรียกว่ากดก็ได้จะเรียกว่าถูกบังคับให้นิ่งอยู่ไกลๆมันยังไม่ใช่ตัวสุดเพราะตัวสุดใจไม่ได้ถูกบังคับใจมันเป็นอิสระไม่ถูกบังคับไม่ถูกกดข่ม ไม่ได้ถูกประคองไว้พูดง่ายๆไม่มีการกระทำทางใจใดๆอีกเลยนั่นถือว่าถ้ายังมีการกระทำทางใจอยู่ยังไม่ใช่มันเป็นของมันอยู่เองโดยไม่ต้องมีการกระทำทางใจใดๆพูดโดยผมถ้ายังทำอยู่ยังไม่ว่างถ้าว่างไม่ต้องทำในขณะที่ยังไม่ว่างก็ต้องทำ ถ้าว่างแล้วไม่ต้องทำคือใจมันเป็นไปเองแล้วโดยไม่ต้องไปทำอะไรอีกมันเป็นไปเองแล้วมันพ้นจากการกระทำทั้งมวลลงแล้วมันพ้นจากการกลุงแต่งที่จะให้เป็นไปทั้งด้านบวกและด้านลบทุกเมื่อไรมันจะไม่ว่างแต่ถ้ามันว่างแล้วมันจะไม่ทุกข์ใจมันเป็นอิสระของมันอยู่ทุกทำอะไรใจไม่ได้ แค่ผ่านไปผ่านมาเหมือนน้ำที่กลิ้งอยู่บนใบบัวใบบอนมันไม่ซับลงไปน้ำเปรียบเหมือนความทุกข์มันไม่ซับเข้าไปในใจแล้วมันแค่กลิ้งไปกลิ้งมาแต่มันไม่ซึมลงไม่ซับลงไปพอหยุดพูดมันก็หยุดกลิ้งเพราะในความว่างมันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างถ้ายังเป็นอยู่เรียกว่าสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์สมาธิ อยู่ในอารมณ์ฌานอยู่ในภาวะทุกข์นั้นเรียกว่าสังขารทั้งสิ้นอะไรที่ทำอยู่ไม่มีความคิดที่เป็นทุกข์เหมือนน้ำกลิ้งบนใบบอลใจไม่ได้เป็นอะไรถ้ายังมีความมีความเป็นอยู่ในใจนั่นแหละสังขารภาวะว่างที่จะเป็นได้นี้ต้องมีสติดีแต่จะมีสติได้ก็ต้องเห็นความคิดก่อนเห็นอารมณ์ก่อน ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเจ้าของมึนทึบซื่อขณะที่ทำสมาธิทำไมจึงเกิดอาการมึนทึบตื่อ ถ้าเราทำผิดจิตกับระบบประสาทมันไม่ลงตัวจิตมันกดประสาทมากเกินไปทําให้ระบบประสาทไม่โปร่งเบาสบายวิธีแก้ไขคือทําความรู้สึกตัวเช่นเคลื่อนไหวร่างกายหรืออวัยวะอย่างใดอย่างหนึง่งและในขณะที่เปลี่ยนเอิรียบทเช่นขยับตัวโยกตัวลุกเดินจิตก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย ไม่ใช่ขณะที่กายเปลี่ยนแต่ใจก็ยังตั้งนิ่งอยู่ขณะที่ฝึกสมาธิจนเกิดปิติทำไมยังเกิดม่นทึบตื่เป็นเพราะเกิดการเร่งเร้าให้มันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วอารมณ์สมาธิทุกชนิดก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ระยะหนึ่งแล้วดับไปเหมือนกันแล้วจดจอ่อหมกมุ่นจะให้มันเป็นบังคับให้มันเป็นมากไปพอนานๆไปความหมกมุ่นจะกลายเป็นความเครียดแทรกเข้ามาทีละนิดทีละนิดโดยเราไม่รู้ตัวพอนานๆเอ๊ะทาไมมันหมอนไปหมดทั้งๆ ท, ท, ที่ทาปิติอยู่จริงๆมันเปลี่ยนไปแล้วแต่เราเข้าใจว่าเหมือนเดิม มันเป็นปิติที่ค่อยๆมีความเครียดแทรกเข้ามาปนแล้วมันเริ่มมีพลังงานที่ไม่ดีเข้ามาปนในอารมณ์ปิตินั่นแล้วใจมันไม่โปร่งโล่งเบาสบายอยู่ในจิตระดับปิติที่แท้จริงมันเป็นพลังงานจิตไปแล้วถ้าทำอย่างพอดีต้องรู้สึกโป่งโล่งเบาสบายทั้งกายทั้งใจถ้าไม่สบายแสดงว่าเสียสมดุล จิตกดประสาทควรผ่อนคลายสักพักแล้วค่อยมาเริ่มทำใหม่ไม่ใช่ยิ่งเครียดยิ่งลุย